ดูก่อนสารีบุตรเปรียบเหมือนเนื้อที่เกิดในป่าเห็นมนุษย์ทั้งหลายแล้วก็วิ่งหนีจากป่าไปสู่ป่าจากชาติไปสู่ชาติจากที่ลุ่มไปสู่ที่ลุ่มจากที่ดอนไปสู่ที่ดอนแม่ฉันใดดูก่อนสารีบรเราก็ฉะนั้นเหมือนกันในการใดเราได้พบคนเลี้ยงโครหรือคนเลี้ยงปศุสัตว์หรือคนหาบหญ้าหรือคนหาฟืนหรือคนที่เที่ยวหาผลไม้เป็นต้นในป่าในการนั้น เราก็เดินหนีจากป่าสู่ป่าจากชาติสู่พัดจากชาติสู่ชาติจากที่ลุ่มสู่ที่ลุ่มจากที่ดอนสู่ที่ดอนข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเราคิดว่าคนเหล่านั้นย่าได้เห็นเราเลยเราก็ย่าได้เห็นคนทั้งหลายเลยดูก่อนสารีบุตรนี่แหละเป็นวัดในความประพฤตเศร้าหมองของขในความสงัดของเรานะชอบเงียบที่สุดเลยนะใครอยากเงียบเงียบก็ทาตัวลักษณะนี้ บอกไม่เห็นคนเลยเห็นปุ๊บต้องหนีเขาให้มันลึกๆไปอีกดูกันสารรบุต์เรานั้นแลคลานเข้าไปในคอกที่เหล่าโคออกไปแล้วและปราศจากคนเลี้ยงโคงแอบเข้าไปในคอกวัวกินโคไม้ของลูกโคอ่อนที่ยังไม่ทิ้งแม่ น, นะวัวตัวเล็กๆที่ยังดูดนมอยู่มันมันถ่ายว่ามันมัน อุจระทิ้งไว้ใช่ไหมก็ไปเอาอุจระวัวนั่นแหละมากินมูดและกรีดก็คือมูดและอุจระของเรายังไม่หมดสิ้นไปเพียงไรเราก็กินมูดและกรีดของตนเป็นอาหารดูก่อนสารีบุตรนี่แหละเป็นวัดในโภชนะมหาวิกัตของเรานะชั้นต้นเลยก็คือไปเอาขี้วัวลูกลูกวัวเนี่ยมามากินก่อนพอกินเสร็จถายออกมาเป็นขี้วัวเออเป็นขี้ขี้ตัวเองใช่ไหมก็เอามาทานใหม่ ระบบหมุนเวียนจนกว่าจะหมดหมดเมื่อไร่ค่อยไปหาใหม่อีกครั้งหนึ่งก็ะจะปฏิวัติแบบนี้เรียกว่ามหาวิกฤตเหนั้นคือคําว่ามหาวิกฤตก็คือมันผิดปกติอ่ะเป็นอาหารที่มันผิดปกติมันนิดมนาเขาไม่ทํากันอย่างนั้นแหะแต่นี้เขาบอกว่าเป็นเป็นการประพฤติพรหมจรรย์ของเขาอ่ะเขาทําได้นะดูก่อนสารีบุตรเรานั้นแหลเข้าอาศัยแนวป่าอันหน้ากลัวแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่ นี้เป็นความน่ากลัวแห่งแนวป่านั้นนะป่าหน่ากลัวขนาดไหนบอกว่าบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งยังไม่ปราศจากราคะเข้าไปสู่ป่านั้นโดยมากขนพองเข้าไปปุ๊บเนี่ยขนลุกสู้ ส, สู้ป่าขนาดนั้นอะไรอย่างนงี้ยดูก่อนสารีบุตรเรานั้นแหลในราตรีที่หนาวฤดูเหมันตั้งอยู่ในระหว่างเดือนสามต่อเดือนสี่ในสมัยหิมะตก ในราตรีเห็นป่านั้นเราอยู่ในที่แจ้งตลอดคืนช่วงหิมะที่กําลังตกไม่ไม่มีผ้านะไปยืนปากหิมะอย่างเดียวกลางวันเราก็เข้าไปในแนวป่าในเดือนท้ายฤดูร้อนนะก็คือกลางวันไปอยู่ในป่าในป่ามันจะชื้นมันจะอับที่สุดเลยแหละกลางคืนก็มารับก็ใช้ชีวิตแบบนั้นพอในท้ายฤดูร้อนกลางวันก็อยู่ที่แจ้งกลางคืนก็อยู่ในแนวป่า ซึ่งในช่วงที่แดดมันร้อนนะักกลางวันเนี่ยไปอยู่มันก็ร้อนเต็มชี่ใช่ไหมพอกลางคืนเข้าไปอยู่ในป่า ป, ปุ๊บเนี่ยไอที่มันเคยอบไว้มันจะระอุขึ้นมาสรุปแล้วมันทรมานทั้งกลางคืนนะักกลางวันนั่นแหละดูการสารีบุตรเป็นความจริงคาถาอันน่าอัศจรรย์เล็กน้อยที่เราไม่เคยได้ยินมาก่อนปรากฏแก่เราว่านักปราชุดเสาะแสวงหาความหมดจดอาบแดดอาบน้ําค้าง เป็นคนเปลือยทั้งไม่ได้ผิงไฟอยู่คนเดียวในป่าอันน่ากลัว น, นะนี่ก็เป็นเรียกว่าไปหาที่ที่ไปอยู่ที่มันแสนจะทุกข์ทรมานนะเพื่อที่จะทดลองในการปฏิบัติดูการสาริบุตรเราย่อมสาเร็จการนอนแอบอิงกระดูกศพในป่าชานะคือศพที่มากองป่าช้าพีดิบที่เอาศพไปกองกองกองไว้ก็ไปนอนอเรียกว่านอนหนุนศพได้อะ พวกเด็กเลี้ยงโคเข้าไปใกล้เราถมน้ำลายรถบ้างทนได้ไหม ถ, ถมน้ำลายรถก็ไม่ว่าอะไรทัอย่างถ่ายปัสสาวะรถบ้างปโปรยฝุ่นรถบ้างเอาไมา้ยอนที่ช่องหูบ้างแย่เข้าไปไม่รู้สึกว่ายังจิตอัลลามกให้เกิดขึ้นในพวกเด็กเหล่านั้นเลยดูก่อนสารีบุตรนี่แหละเป็นวัดในการอยู่ด้วยอุเบกขาของเราอันตรงนี้เป็นอุเบกขาบารมีของพระ อ, องค์ ก็บอกว่าไอชาติที่ประพฤติแบบนี้เนี่ยชาตินั้นเกิดเป็นเครือขาบด mm hmm. ีเกิดเป็นเศรษฐีคนหนึ่งทีนี้ก็เบื่อหน่ายในการครองเรือนเสร็จแล้วก็สละทรัพย์ทั้งหมดแล้วไปบวชบําเพ็ญอุเบกขาไม่พูดไม่คุยไม่อะไรทั้งนั้นเน่ะใครจะว่ายังไงก็ไม่พูดสักคําทีนี้วันหนึ่งอยากจะให้ไอพวกเด็กเนี่ยทดลองดูว่ า, ว, าว่ามั่นคงขนาดไหนจิตเนี่ยชอยได้ไหมก็คือ นอนให้เด็กมันดูเด็กทีนี้เด็กมันก็เข้าไปคุยด้วยมันก็ไปถามใช่ไหมมันก็ไม่พูดมันทำเฉยไม่พูดสักทิงก็เอาฝุ่นรถดูสิจะพูดหรือเปล่าตาคนนี้นะบ้าหรือเปล่าก็ไม่บ้าเสร็จแล้วก็เอาไม้แหย่ไปที่หูดูสิไม่เป็นไรลองเยี่ยวรถดูสิเอาทุกอย่างนะไม่โกรธอะ่ะจิตเหมือนเดิมหมดเลยไม่ผิดปกติเลยสภาพของความคิดนะไม่กระเทือนเลยอะ่ะ นั่นแหละเป็นอุเบกขาบารมีของพระองค์เป็นอุเบกขาป ร, ม, าปรมัตถปารมีคือวางใจได้อ่ะไอกายอันนี้กับแผ่นดินไม่ต่างกันนะวางใจได้ขนาดนั้นของเราก็ให้มันได้สักกระพิงแล้วอย่างนี้นะได้สักเกตอันนึงนะอย่างนี้แล้วทั้งนั้นเขายังไม่ทันว่าอะไรเลยนะมันสักเดือดแล้ะทั้งนี้ดูก่อนสารีบุตร มีสมณพราหม์พวกหนึ่งมีวาทะมีทิฏฐิอย่างนี้ว่านะมีลัทธิบางลัทธิสอนกันอย่างนี้ว่าความหมดจดย่อมมีด้วยอาหารเออกินอาหารบางอย่างเนี่ยบริสุทธิ์ได้แนั้นเดพวกเขากล่าวอย่างนี้ว่าพวกเราย่อมเยียวยาอัตภาพด้วยอาหารทะะเท่าเมล็ดพุทธสากินแค่อาหารนะวันหนึ่งเท่าพุทธสาอย่างเดียวเนี่ยบริสุทธิ์ั้นพวกเขา ย, ย่อมเคี้ยวกินผลพุทธาบ้าง ผลพุทราป่นบ้างเดิมน้ำพุทสาบ้างบริโภคผลพุทสาที่ทำเป็นชนิดต่างๆบ้างดูก่อนสารีบุตรเรารู้สึกว่ากินผลพุทสาผลเดียวเท่านั้นดูก่อนสารีบุตรเธอจะพึงมีความสำคัญว่าพุทสาในสมัยนั้นชรอยจะเป็นผลใหญ่เป็นแน่ข้อนี้เธอไม่พึงเห็นอย่างนั้นแมในการนั้นผลพุทาที่เป็นขนาดใหญ่นั่นเทียวก็เหมือนในบัตรนี้อันนั้นผลพุทสาผลเล็กๆอะ่ะ ดูกรสาริบุตรเมื่อเรากินอาหารเท่าผลพูดซาผลเดียวเท่านั้นร่างกายของเราก็ถึงความสู้ผอมยิ่งนะักอวัยวะน้อยใหญ่ของเราเนี่ยเปรียบเหมือนเถาวันที่มีข้อมากและข้อดำเพราะความที่เรามีอาหารน้อยนั่นเองแต่พวกของเราเนี่เป็นเหมือนกับรอยเท้าอุดโอ้ผอมยิง่งเงยนะไปเห็นคล้ายๆกับอ่าพวกที่เป็นโรคบางอย่างนะที่มันเพอ จริงๆเลยในรูปอะในรูปเพี่เขาถ่ายโหเหมือนกับศพเดินได้เลยเพราะความที่เรามีอาหารน้อยกระดูกสันหลังของเราเนี่ยนูนขึ้นเป็นปุ่มเป็นปุ่มเหมือนเถาสบ้าเพราะความที่เรามีอาหารน้อยนั่นเองกระดูกซี่โครงของเราเนี่ยเลื่อมขึ้นเลื่อมลงเห็นปรากฏเหมือนกรอนแห่งสาลาเก่า<อ falei>เลื่อมกันฉะนั้นเพราะความที่เรามีอาหารน้อยนั่นเอง ดวงตาของเราเนี่ยลึกเข้าไปในเบ้าตาเหมือนเงาดวงดาวปรากฏในบ่อ น, น้าอันลึกเะนั้นเพราะความที่เรามีอาหารน้อยนั่นเองอะนะหูตามันลึกอะนะมองไปเนี่ยหูนิดเดียวข้างในนั้นอะโบะเลยอะหนังศีรษะของเราอันลมถูกต้องแล้วก็เหี่ยวแห้งเปรียบเหมือนน้ำเต้าขมที่ถูกตัดขั่วแต่ยังอ่อน อันลมแดดสัมผัสแล้วย่อมเป็นของเหี่ยวแห้งไตเชนั้นเพราะความที่เรามีอาหารน้อยนั่นเองอาหารน้อยยิงย่งๆก็เหลือแต่กระโหลกใช่ไม้มลมมันพัดมาก็โอโ้โ <c> ห <oughs> ยิ่งกว่าพวกไอที่โอเปียอีกมั้งยงนัด น, นี้ดูก่อนสารีบุตรเรานั่นแหลคิดว่าจะลูบคลำผิวหนังท้องก็ลูบคลำถูกกระดูกสันหลังทีเดียวโอ้ตัดตไส้ไปอยู่ตรงไหนเนาะ คิดว่าจะลูบคลำกระดูกสันหลังก็ลุก็กคลำถูกผิวหนังท้องทีเดียวแสดงว่าอยู่กำรรเดียวเลยนะดูก่อนสาริบรผิวหนังท้องของเรานี้ติดกระดูกสันหลังเพราะความที่เรามีอาหารน้อยนั่นเองเรานั้นคิดว่าจะถ่ายอุจจาระหรือปัสสาวะก็ส่วนลมณที่นั้นเองเพราะความที่เรามีอาหารน้อยเรานั้นเมื่อจะยังร่างกายให้คล่องแคล่วก็ลูบตัวด้วยฝ่ามือ เมื่อเราลูบตัวด้วยฝ่ามือขนทั้งหลายก็มีรากอันเน่าก็หลุดจากกายเพราะความที่เรามีอาหารน้อยนั่นเองนะแหมจะรูปร่างกายให้มันสดชื่นหน่อยรูปริงขนเนี่ยร่วงมันแถบๆเลยนั่นนะไม่มีสารอาหารอะไรพอที่จะไปหล่อเลี้ยงพวกขุมขนผิวหนังอะไรเลยเนาะวันถ้าหากว่าบอกว่าโอไปปฏิบัติลักษณะนี้จะบริสุทธิ์พระองค์บอกว่าพระองค์ทามาแล้วบริสุทธิ์หมไม่บริสุทธิ์หรอก อย่างนี้เป็นลักษณะของอาตากิรมัทานุโยคนึกถึงนะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์มีพระมหากรุณาที่คุณมากมายมหาศาลอรหัตผลซึ่งควรจะได้เมื่อสีอสงไขยที่แล้วไม่เอาลดตัวมาทรมานทั้งหมดที่ทําเนี่ยเพื่อสัตว์อย่างเดียวเพราะถ้าเฉพาะตัวเองเนี่ยถึงฝั่งไปหมดแล้วถ้าเฉพาะพระองค์เองนะบรรลุแล้วเมื่อสีอสงไขยที่แล้วแต่ที่ประพฤติทั้งหมดเนี่ยเพื่อ อนุเคราะห์สงเคราะห์สงเคราะห์เราเนาะสงเคราะห์เรามั่งเนาะนั่นแหละ <S <S ดูที่ว่าเราพระองค์จะสงเคราะห์เสร็จหรือเปล่าไม่นนเนาะไม่ขณะเดียวกันเราสงเคราะห์ตัวเองก่อนด้วยนั่นแหละ <S 1> <S 1> ดูก่อนสารีบุตรมีสมณะพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าความหมดจดย่อมมีด้วยอาหา ร, รแสดงว่าพระองค์เนี่ยลองหลายอาหารหลายชนิดแล้วก็แสดงน่าจะไม่ใช่ลองชาติเดียวด้วย พวกเขากล่าวอย่างนี้ว่าเราย่อมเยียวยาอัตภาพด้วยถั่วเขียวกินถั่วเขียวอย่างเดียวเลยวันละเม็ด <c oughs> พวกเราย่อมเยียวยาอัตภาพด้วยงาลดไปไนะ่างเงี้ยพุทธศาตทีแรกก็ว่าเล็กแล้วนะมาเหลือเท่ า, มาเมล็ดงามไม่ติดฟันเ่ะนะ <c oughs> เคี้ยวไปไม่ไดีเนี้ยติดฟันละ <c oughs> พวกเราย่อมเยี ย, ยาอัตภาพด้วยข้าวสาร กินข้าวสารอย่างเดียวพวกเขากินข้าวสารบ้างข้าวสารป่นบ้างเดิมน้ำข้าวสารบ้างย่อมบริโภคข้าวสารที่จัดทำให้ให้แปลกมีประการไม่ใช่น้อยบ้างดูก่อนสารีบุตรเราย่อมรู้สึกว่ากินข้าวสารเมล็ดเดียวเท่านั้นข้าวสารเม็ดเดียวนะดูก่อนสารีบุตรเธอจะเพิ่งมีความสำคัญว่าข้าวสารในสมัยนั้นชลอยจะเป็นเมล็ดใหญ่เป็นแน่ข้อนี้เธอไม่พึงเห็นอย่างนั้น แม้ในการนั้นข้าวสารที่เป็นขนาดใหญ่นั่นเทียวก็มีเมล็ดเท่าข้าวสารในบัตนี้นะข้าวสารเมื่อ91กลับที่แล้วมันก็เล็กเข้ากันกับทุกวันนั่นแหละดูกอนสาริบุตรเมื่อเรากินข้าวสารเมล็ดเดียวเท่านั้นร่างกายก็ถึงความสู้ผอมยิ่งนักอวัยวะของเราเนี่เปรียบเหมือนเถาวันที่มีข้อมากและข้อดำเพราะความที่เรามีอาหารน้อยนั่นเอง แต่พ่ของเราก็เปรียบเหมือนรอยเท้าอุดเพราะความที่เรามีอาหารน้อยนั่นเองกระดูกสันหลังของเราก็นูนขึ้นเป็นปุ่มเป็นปุ่ ม, เ, มเหมือนเถาสะบ้าเพราะความที่เรามีอาหารน้อยนั่นเองนะทุกวันนี้เราก็พอหาได้นะคนที่เป็นโรคบางอย่างที่สู้พร้พอมพอมาเป็นตัวอย่างได้อ่ะเออไปเห็นปุ๊บสังเวชโอ้ย พ, พุทธเจ้าสมัยที่เป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ตรัสรู้เนี่ย บำเพ็ญบารมีในสังสารวัตรลองผิดลองถูกมากขนาดนี้เลยนาะกระดูกซี่โครงของเราเนี่ยเลื่อมขึ้นเลื่อมลงเห็นปรากฏเหมือนกรอนแห่งสาลาเก่าเลื่อมกันฉะนั้นเพราะความที่เรามีอาหารน้อยนั่นเองนะซี่โครงเนี่ยพรอมหมดเลยดวงตาของเราเนี่ยลึกเข้าไปในเบ้าตาเหมือนเงาวดวงดาวปรากฏในบ่อ น, น้ําอันลึกฉะนั้นเพราะความที่เรามีอาหารน้อยนั่นเองโถไม่น้อยไงนะอาจข้าวสารเม็ดเดียวอะ หนังศีรษะของเรานั้นอันลมถูกต้องแล้วก็เหี่ยวแห้งเปรียบเหมือนน้าเต้าขมที่ถูกตัดขั้วแต่ยังอ่อนอันลมแดดสัมผัสแล้วย่อมเป็นของที่เหี่ยวแห้งไปฉะนั้นเพราะความที่เรามีอาหารน้อยนั่นเองดูก่อนสาหริบเรานั้นแหลคิดว่าจะลูบผิวหนังท้องก็รูบถูกกระดูกสันหลังทีเดียวคิดว่าจะลูบคลำกระดูกสันหลังก็ลูบคลำถูกผิวหนังท้องทีเดียวนะ ของเราเนี่ยลองขอดดูนะรอบหรือเปล่าแล้ว เ, เอามือรวบยังไม่รอบเลยนาะของพระอง์เนี่ยโหลวบรวบท้องถึงหลัง <c oughs> เรานั้นแหละนะผิวหนังท้องของเราก็ติดกระดูกสันหลังเพราะความที่เรามีอาหารน้อยนั่นเองเรานั้นคิดว่าจะถ่ายอุจจาระหรือปัสสาวะก็ส่วนลมณะที่นั้นเองเพราะความที่เรามีอาหารน้อยนั่นเองเรานั้นเมื่อจะยังร่างกายให้คล่องแคล่ว ก็รูปตัวด้วยฝ่ามือเมื่อเรารูปตัวด้วยฝ่ามือขนทั้งหลายก็มีรากอันเน่าก็หลุดออกจากร่างกายเพราะความที่เรามีอาหารน้อยนั่นเองดูก่อนสารีบุตรด้วยการปฏิบัติอย่างไม่มีใครสู้แม้นั้นด้วยปฏิปทาแม้นั้นด้วยความเพียรที่กระทาได้แสนยากนั้นเอาล่อเป็นแสนเลยนะแสนจริงๆอ่ะคือมันยากจริงๆอ่ะยากยิ่งนะ เราไม่ได้บรรลุธรรมะอันยิ่งของมนุษย์ที่เป็นญาณทัศน์อันวิเศษพอแก่ความเป็นอริยะข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะไม่ใช่ปฏิปทาที่เป็นเหตุให้บรรลุปัญญาอันประเสริฐนะไอข้อปฏิบัติเหล่านั้นที่เขาบอกว่าทานอาหารแล้วบริสุทธิ์ได้อะใครบอกว่าโอ้ทานอาหารแบบนี้แล้วบริสุทธิ์ได้เนี่ยพระองค์บอกว่าพระองค์เนี่ยทำมาหมดแล้วนะีข้าวสารเม็ดเดียวอ่ะ อาพีมหาถ้าบอกว่าไม่มีเนื้อสัตว์อาภิ่มหาเจเลยนะถ้าบอกว่าทานทานชนิดนี้แล้วบริสุทธิ์ได้อ่ะข้าวสารเม็ดเดียวอ่ะใช่ไหมหรืองางาเม็ดเดียวอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอาหารอย่างเดียวไม่สามารถที่จ ะ, ะการกินอาหารไม่สามารถเป็นเหตุให้บริสุทธิ์ได้แต่อาหารเป็นอาหารสปายะแก่การบรรลุธรรมได้ อาหารนี้จะเกี่ยวข้องกับการบรรลุธรรมไมเกี่ยวเกี่ยวโดยความเป็นปัจจัยอะไรปกตูปะนิสยปจยัจจัยที่เขาเรียกว่าสัปปายะนั่นเองอาหารสัพายะแต่ว่าปัญญานี้แลปัญญานี้หมายถึงมัคคปัญญาที่ซึ่งเราได้บรรลุแล้วเป็นของประเสริฐนำสัตว์ออกจากทุกข์ได้เป็นทางสิ้นทุกข์โดยชอบแห่งบุคคลผู้กระทำตามอยู่ ส่วนปัญญาที่พระองค์ทรงตรัสรู้รมในชาติสุดท้ายที่พระองค์ทรงแสดงทั้งหมดนี่ปัญญาเหล่านี้นี่แหละเป็นปัญญาที่เป็นไปเพื่อความสิ้นทุกโดยชอบดูก่อนสาริบุมีสมณะพราหม์พวกหนึ่งมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าความหมดจดย่อมมีด้วยสังสารวัตรนะเวียนว่ายตายเกิดเดียวกับบริสุทธิ์เองนะ นะตายเกิดเกิดตายบางรัฐที่เขาบอกว่าแปดหมืนสี่พันกลับบรรุเองนั่นแหละาถามว่าถ้ารัฐที่อย่างนี้ใครเข้าใจอย่างนี้ถูกไหมพระ อ, องค์ตรัสว่าดูก่อนสารีบุตรก็สังสารวัตที่เรายังไม่เคยท่องเที่ยวไปโดยการยืดยาวนานนี้เว้นแต่เทวโลกชั้นสุทาวาสเป็นสิ่งที่หาไม่ได้ง่ายนะดูก่อนสารีบุตร ถ้าเราพึงท่องเที่ยวไปในเทวโลกชั้นสุทาวาสเราก็จะไม่พึงมาสู่โลกนี้อีกเพราะว่าสุทาวาสเป็นภูมิของพระอนาคามีผู้ไม่กลับมาสู่โลกนี้โดยการปฏิสนธิอีกแล้วเพราะฉะนั้นพระองค์บอกว่าแม้แต่อะไรบั่งที่พระองค์ไม่เคยเกิดอ่ะมันหายากอเฉพาะการปฏิสนธินะไม่มีอะไรที่พระองค์ไม่เคยปฏิสนธิที่เป็นกรรมวัฏวิตากวัฏกิเลสวัฏแบบนั้นนั่นนะ่ะที่ไม่เคยมีเนี่ย หาได้ยากโดยก่อนสาหริบุตรมีสมณะพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาทะมีทิฏฐิอย่างนี้ว่าความบริสุทธิ์ย่อมมีได้ด้วยการอุบัติปฏิสนธิเนี่ยทาให้บริสุทธิ์ได้นะไปปฏิสนธิถูกที่เข้าหูบริสุทธิ์เลยฟองว่าดูก่อนสาหริบความอุบัติที่เราไม่เคยเข้าถึงโดยการยืดยาวช้านานี้เว้นเทวโลกชั้นสุทาวาสเป็นของหาไม่ได้ง่ายนะัก ก็คือเป็นขันเนี่ยนะในว่าขันหนึ่งขันสามขันอ่าขันหนึ่ง ข, น ข, นนงขันสี่ขันห้าเนี่ยขันไหนบั่งที่พระองค์ไม่เคยมีพระองค์มีหมดแหละอันถ้าบริสุทธิ์โดยขันอย่างเดียวเนี่ยไม่ใช่ดูก่อนสารีบุตรถ้าเราพึงอุบัติในเทวโลกชั้นสุดอาวาสเราก็ไม่พึงมาสู่โลกนี้อีกดูก่อนสารีบุตรมีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาทะมีทิฏฐิอย่างนี้ว่าความหมดจดย่อมมีได้ด้วยอาวาส อาวาสก็คือที่อยู่ก็หมายถึงขันอีกนั่นแหละดูก่อนสารีบทก็อาวาสที่เราไม่เคยอยู่อาศัยแล้วโดยการยืดยาวชาณานนี้เว้นเทวโลกชั้นสุดาวารเป็นของหามไม่ได้ง่ายนะักดูก่อนสารีบทเราพึงอยู่อาศัยในเทวโลกชั้นสุดาวารเราก็ไม่พึงมาสู่โลกนี้อีกนะแต่ว่าผู้ที่ปฏิสนธิในสุดาวารต้องเป็นพระอนาคามีอย่างเดียวอันนั้นถ้าใครบอกโอ๊ย ถึงอาวาดบางแห่งแล้วก็บริสุทธิ์ได้เองไม่ใช่นะดูก่อนสารีบุตรมีสมณะพรามณ์พวกหนึ่งมีวาท่มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าความหมดจดย่อมมีได้ด้วยการบูชายัญบูชายัญข่าไก่บูชายัญข่าหมูข่าแพะข่าคนข่าอะไรต่างๆเพื่อที่จะบูชายัญเส้นสวงเนี่ยแล้วจะทําให้บริสุทธิ์นะมีบางรัฐที่เขาว่าอย่างนั้นดูก่อนสารีบุตร ก็ยันที่เราไม่เคยบูชาแล้วโดยการยืดยาวชาหนานี้เป็นของหาไม่ได้ง่ายนะแต่ยันอันนั้นอันเราเป็นราชาผู้เป็นกษัตริย์ได้มูรธาพิเศษหรือเป็นพรา์ผู้มหาสารจึงบูชารั บ, บูชาที่ยิ่งใหญ่ขนาดไหนจะฆ่าวัวเป็นแสนบูชาก็ตามพระองค์เนี่ยเคยทำมาแล้วแต่ก็ไม่ได้เป็นเหตุให้บริสุทธิ์ว่า ง, งั้นเถอะคือบางชาติถ้าเกิดเป็นพระรา ชามาหากษัตริย์ผู้ปกครองแบบแบบพระราชาเป็นใหญ่เนี่ยสามารถที่จะสั่งทําได้ค่าวัวเป็นแสนแสนสามารถทําได้นั่นแหละค่าคนเป็นหมื่นหมืนก็สามารถทําได้แต่การทําเหล่านั้นก็ไม่ได้เป็นเหตุให้บริสุทธิ์อะไรดูก่อนสารีบุตรมีสมณะพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาทะมีที่ถือย่างนี้ว่าความบริสุทธิ์ย่อมมีได้ด้วยการบำเรอไฟนะบูชาไฟ ดูก่อนสารีบุตรไฟที่เราไม่เคยบำเรอแล้วโดยการยืดยาวชานานี้เป็นของหาไม่ได้ง่ายนะักแต่ไฟนั้นอันเราเป็นผู้ผู้เป็นพระราชาผู้กษัตริย์ได้มูรธาพิเศษหรือเป็นพรามมหาสารจึงบำเรอดูก่อนสารีบุตรมีสมณะพรามพวกหนึ่งมีวาทะมีทิฐิอย่างนี้ว่า บุรุษรุ่นหนุ่มผู้เจริญนี้มีเกษาดําสนิทประกอบด้วยวัยหนุ่มอันเจริญประกอบด้วยปัญญาอันเฉลียวฉลาดอย่างยิ่งสมกับวัยต้นต่อมาบุรุษผู้เจริญนี้เป็นคนแก่เท่าเป็นผู้ใหญ่ล่วงการผ่านวัยโดยลําดับคือมีอายุแปดสิบปี90้าสบปีร้อยปีบ้างโดยชาติย่อมเสื่อมจากปัญญาความเฉลียวฉลาดนั้นในภายหลัง นะบางคนเขามีทิฏฐิลักษณะนี้นี่ว่าแกมากๆแล้วอะ่ะสติปัญญาความเฉลียวฉลาดมันลดไปนะบางพวกเข้าใจอย่างนี้ถามว่าเข้าใจถูกไหมอายุมากๆแล้วก็สติปัญญามันลดเองดูก่อนสารีบุตรข้อนี้เธอไม่เพึงเห็นอย่างนั้นนะก็บัตรนี้เราเป็นคนแก่เป็นคนเท่าเป็นผู้ใหญ่ล่วงการผ่านวัยโดยลําดับอายุของเรา80ปีเข้าแล้วนี่ ตอนนั้นพระพุทธเจ้าายุ8แปบแล้วสูตรนี้นะพระ อ, องค์ตัดเมื่อพระ อ, องค์มีอายุ80สาวกบริษัทสี่ของเราในธรรมวินัยนี้มีอายุถึงร้อปีเป็นอยู่ได้ตั้งร้อยปีนะพระที่มีอายุร้อยปีก็มีนะพระพากุลพระพากุละเนี่ยอายุร้อยปีก็ไม่เคยฉันสมอแ ม, ะมะ้แต่ชิ้นเดียวถ้าเกิดมาทสมัยนี้ก็คือท้งกเกิดจนอายุร้อยกสบปีไม่เคยกินพาราแม้แต่เม็ดเดียว นั่นแหละแล้ว่าคนไม่มีโรคขนาดนั้นก็มีนะแล้วเป็นพระที่ที่รวยที่สุดพากลเนี่ยพามาจากสองตระกูลอ่ะพระสองตระกูลเขาบอกงั้นเออเป็นลูกเศรษฐีบ้านเนี้ยลูกเศรษฐีบ้านนี้พอคลอดปั๊บเขาเอาไปอาบน้ําที่แม่น้ําคงคาใช่ไหมเสร็จแล้วเ อ, อมันหลุดมือคนล้างเนี่ยหลุดมือเข้าเข้าไปในปากปลาปลาเขาอมไหมอมไปแล้วไปโพยที่เมืองเมืองหนึ่ง นะก็มีชาวประมงเนี่ยจับปลาได้ก็ไปขายให้เศรษฐีเศรษฐีก็ผ่าเศรษฐีบ้านนั้นก็ไม่มีลูกพอดีเลยอันนั้นก็เลยได้ลูกทีนี้ข่าวว่าเศรษฐีเนี่ยได้ได้ลูกจากท้องปลาเศรษฐีฝั่งนี้ก็ไปฟ้องเอาฟ้องเอาว่าเอะตกว่าเด็กคนเนี้มันเป็นของตระกูลไหนกันแน่ฟ้องศาลศาลเขาก็บอกว่าโอ้วิทยนิฉัยว่าเป็นทั้งสองตระกูลนั่นแหละอ๋อนะช่วงนี้ไปอยู่ตระกูลนี้ช่วงนี้อยู่ตระกูลนี้เขากลับเป็นคนสองตระกูลใช่ไหม เป็นคนสองตระกูลเนี่ยท่านก็เป็นคารวาสอยู่จนถึงอายุแปดสิบปีนะจึงในบวชแล้วท่านจะใช้จีวรวัลชุดวัลชุดวัลชุดวัลชุญาติเอามาเปลี่ยนให้ทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันลูกหลานมาเปลี่ยนให้เพมันเป็นเศรษฐีสองตระกูลนะคะเศรษฐีใหญ่ให่ของเมืองเชียงใหม่กับเศรษฐีใหญ่กรุงเทพอย่างเงี้ยไม่ว่าผ้าวัลชุดก็ธรรมดาทัานพระที่ไม่เคยใช้ผ้าของท่านนี่หายากมาก มันท่านสงน้ำปั๊บเนี่ยถอดส่งน้ำปั๊บก็ต้องสละ ท, ท, ทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันรวยขนาดนั้นนะ <c oughs> แ, ลแล้วท่านเป็นพระอาหารหันต์นั้นขนาดอายุขนาดนั้นก็ยังประกอบด้วยสติสติก็คือมีความสามารถในการเรียนในการทรงจาพระนนเนี่ยติดตามพระพุทธเจ้าฟังอยู่แม้แต่ตอนอายุสิบปีนก็ยังตามฟังก็ยังจำแม่นอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละเป็นผู้มี คติคติก็คือเป็นผู้สา ม, มารถทรงไวได้และสา ม, มารถผูกไวได้และเป็นผู้มีทิติคือความเพียรที่สา ม, มารถเพื่อทําการสาทยายที่เรียนที่ทรงจำไว้ได้แล้วแล้วก็เป็นผู้มีปัญญาอันยอดเยี่ยมนะปัญญาฉเฉลียวฉลาดเป็นอย่างยิ่งและปัญญาฉเฉลียวฉลาดอย่างยิ่งดูก่อนสารีบุตรเปรียบเหมือนนักธนูมั่นคงได้รับการฝึกหัดแล้วหมานี้ก็แม่นเปิล น, น, นะ ช่ำชองช่ำนิช่ำนานเคยแสดงฝีมือมาแล้วพึงยิงงวงตาโดยขวางให้ตกลงโดยลูกสอนขนาดเบาได้โดยง่ายดดยนะตัดตาเนี่ยยิงให้ตกเป็นขั้วๆได้เลยอ่ะเข า, าฝีมือขนาดนั้นนะก็ว่าสามารถที่จะยิงได้โดยง่ายดดยแม้ฉันใดาสาวกบริษัทสี่ของเราก็เป็นผู้มีสติอันมั่นคง มีคติอันยิ่งมีปัญญาทรงจำอันยิ่งประกอบด้วยปัญญาอย่างเฉลียวฉลาดฉะนั้นพวกเธอพึงถามปัญหาอิงสติปฐานสี่กับเราเราถูกถามปัญหาแล้วถูกถามปัญหาแล้วพึงพยากรณ์แก่พวกเธอพวกเธอพึงทรงจำคำที่เราพยากรณ์แล้วโดยเป็นคำพยากรณ์มิได้สอบถามเราให้ยิ่งขึ้นไปกว่านั้นสองครั้ง เวน้นการกินการดื่มการเคี้ยวการลิ้มเวน้นการถ่ายอุจจาระปัสสาวะเวน้นการหลับและการบรรเทาความเมื่อยล้าดูก่อนสารีบุท ธ, ธรรมเทศนาของตถาคตนั้นไม่รู้จักจบสิน้นพุทธเจ้านั้นสามารถแสดงธรรมเว้นไว้แต่ว่าพูดตลอดได้เลยใช่มเว้นแต่เวลาฉันดื่มเคี้ยวลิ้มถ่ายอุจจาระปัสสาวะเวลาหลับเท่านั้นแนหะหรือเวลามันเหนื่อยล้าจริงๆแต่ความรู้ความสามารถเนี่ย ไม่มีหมดสิ้น